ชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึงวันไหนทุกฉากต้องมีสิ้นสุดโดยเฉพาะฉากจบใครยึดไว้ก็เสียใจเปล่าใครปล่อยได้ก็สบายใจกับบางคนถ้าคุณตั้งขีดจำกัดไว้ได้ถูกว่าจะรู้จักคบหากันถึงแค่วันไหนก็อาจมีแต่ความทรงจำแสนดีที่คงไว้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 ตายอย่างเป็นสุขง่ายๆทางเดียวที่จะปล่อยจริงคือต้องมีชาติใดาชาติหนึ่งเห็นความจริงตั้งแต่กลางชีวิตว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับตะลมหายใจไปจนกระทั่งอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงอันไม่เที่ยงในกายใจได้ก็จะไม่ติดใจไม่เห็นอะไรภายนอกน้ายึดหน้าหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปได้เช่นกัน